ในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีนีคนหนึ่งนะคือนางกาติยานีเธอก็เป็นคนที่สนใจใฝ่ธรรมแต่ก็ไม่มีโอกาสได้พบกับพระสงฆ์วันหนึ่งเนี่ยเพื่อนสนิทนะคือนางกาลีมาชวนให้นางกาติยานีเนี่ยไปฟังธรรม ผู้ที่แสดงธรรมก็คือพระโสนะซึ่งเป็นบุตรของนางกาลีนะพระโสนะนี่ท่านก็เป็นพระอรหันต์นะแล้วก็ท่านก็ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมโยมแม่โยมแม่ก็เลยทีโอกาสนี่มนแสดงธรรมกำหนดแสดงธรรมก็ตอนกลางคืนนะเพราะว่าผู้คนก็ว่างกันช่วงนั้น ตอนที่พระสนนานี่กล้จะแสดงธรรมเนี่ยซึ่งจัดที่มนทนพิธีเนี่ยกลางเมืองเนี่ยนางกติยานีก็บอกให้บ่าวเนี่ยนะคนใช้เนี่ยไปที่บ้านไปเอาประทีมาเพื่อจุดให้เกิดความสว่างนะในมนทนพิธีนะ บ่าวนี่ก็กลับไปที่บ้านแล้วก็รีบกลับมารายงานให้นางกาติยานี <c oughs> ทราบว่าโจรเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันกำลังขุดุโมงลอดกำแพงบ้านของนางเนี่ยเพื่อไปขนเอาทรัพย์สมบัตินางกาติยานีได้ยินเนี่ยแทนที่จะตื่นตกใจนะ ก็บอกบ่าวว่าเนี่ยโจรเนี่ยปกติมันจะขนอะไรเนี่ยมันก็ขนเอาเฉพาะสิ่งที่มีค่าคงจะไม่ขนเอาไปหมดหรอกนะนางพวก่งนี้แล้วนางก็ไม่สนใจฟังทำต่อสักพักเนี่ยบ่าวเนี่ยร้อนใจนะกลับไปที่บ้านของนางกาติยานีก็รีบมารายงานนางกาติยานีว่าเนี่ย ตอนนี้โจเนี่ยมันขนทรัพย์สมบัติของนางนี่กำลังจะหมดบ้านแล้วนะให้รีบกลับไปนะปกปักรักษาทรัพย์สมบัติของนางเอาไว้นางกาติยานีก็ไม่สนใจบอกว่าโจมาเจอทรัพย์ก็เอาไปเถอะนะตอนนี้อย่ามารบกวนฉันกำลังฟังธรรมเนียอย่ามารบกวนฉัน โอกาสที่จะได้ฟังธรรมนี่มันหายยากก็บอกให้บ่าวนี่เงียบๆซะอย่าส่งเสียงรบกวนทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าหัวหน้าโจรเนี่ยนะเขาอยู่ใกล้ๆหัวหน้าโจรเนี่ยนะเขาตั้งใจว่ามีแผนการว่านี่ถ้าหากว่าเจ้าทรัพย์คือนางกาติยา น, นีเนี่ย กลับไปบ้านเพื่อไปเอาทรัพย์สมบัติอะไปปกปักรักษาทรัพย์สมบัติเนี่ยโจรนี่ก็จะหัวหน้าโจรนี่ก็จะตามไปฆ่ากลางทางเลยแต่พอได้ฟังคําสนทนาของนางกาติยานีเนี่ยกับบ่าวเนี่ยก็ประหลาดใจนะว่าได้มีคนอย่างนี้ด้วยหรือนะ้เนี่ยทรัพย์สมบัตินี่ไม่สนใจเพราะว่าสนใจธรรมะมากกว่า เรายิ่งฟังการสนทนาก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสนะนางกิตายกาติยานีว่านางนี่เป็นคนที่ดีนะหัวหน้าโจแล้วฟังแล้วเกิดเกิดความรู้สึกผิดขึ้นมาว่าตัวเองนี่กําลังทํำบาปกรรมกับผู้ที่ใฝ่ทำนะก็เลยไปบอกลูกน้องว่าดุดปนดุดขนทรัพย์สมบัติได้แล้วเอาทรัพย์สมบัติกลับไปคืน ที่เดิมทั้นไม่พอเนี่ยยังไปแสดงตัวกับนางกาติยานีว่าตัวเองเนี่ยคือหัวหน้าโจรที่กำลังจะปนทรัพย์สมบัติของนางแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าหนึ่งก็ศรัทธานะเรื่มใสนะในนางกาติยานีแล้วก็สองเนี่ยสนใจว่าธรรมะนี่มันมีค่าอย่างไรนะมันประเสริฐอย่างไรนะ นางกาติยานีเนี่ยจึงสนใจธรรมะยิ่งกว่าทรัพสมบัตินะทรัพสมบัติจะหมดไปไม่เป็นไรนะขอให้ได้ฟังธรรมก็แล้วกันสุดท้ายนะวรนโจนกับลุกน้องเนี่ยก็ขอบวชนะส่วนนางกาติยานีเนี่ยเมื่อฟังธรรมจบนะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ส่วนหัวหน้าโจนแล้วก็ลูกน้องนี่บวชแล้วนี่ก็กลับตัวกลับใจนะทําความเพียรจนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระรหันตะ์หน้าโจนที่บรรลุธรรมเป็นพระรหันต์นี่ก็มีเยอะนะถึงแม้ว่าจะเคยทําชั่วมาแต่กลับตัวกลับใจนี่ก็สามารถที่จะเข้าถึงทำขั้นสูงได้นั่นในส่วนนางกติยานีนี่ก็น่าสนใจนะลองนึกภาพนะถ้าเกิดว่านางห่วงทรัพย์แล้วกลับไป ที่บ้านเพื่อที่ได้ปกปักรักษาทรัพย์สินเงินทองตัวเองไว้นอกจากจะไม่ได้ฟังธรรมแล้วนี่ยังมีโอกาสที่จะเสียชีวิตด้วยก็ได้นะเพราะว่าหัวหน้าโจร น, นี้ก็เตรียมมาไว้แล้วนี่ว่าท่านนางกลับไปที่บ้านนี่เขาจะฆ่านางกลางทางเลยแต่ว่านางเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นว่าธรรมะเนี่ยมันมีค่ามากกว่า ทราบสินเงินทองได้นำกระตัดสินใจถูกนะที่ฟังทำต่อเพราะว่านอกจากจะไม่เสียชีวิตเพราะถูกคนน้าโจรฆ่าแล้วเนี่ยก็ยังได้เข้าถึงธรรมนะจนทั้งได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเรียกว่าได้สองต่อเลยนะคือรักษาชีวิตเอาไว้ได้ และที่สำคัญก่อนนั้นคือวัดได้มีดวงตาเห็นธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุบาสิ ก, กานะคนหนึ่งนะซึ่งภายหลังผู้จ้านี่ก็สารเสรว่าไปเ อ, เ อ, เอตตทักขะด้านศรัทธาเลื่อมใสไม่หวั่นไหวเป็นผู้ที่เมื่อถึงจุดที่ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเงินหรือว่าเลือกธรรมะนางเลือกธรรมะ คนแบบนี้นี่ก็ถือว่ามีน้อยนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าต้องเลือกระหว่างเงินกับธรรมะเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลือกเงินนะธรรมะเอาไว้ทีหลังอย่างหลายคนเนี่ยนะแม้จะรู้ว่าธรรมะเป็นของดีนะแต่ว่าเวลามีมีเวลาจะปฏิบัติธรรมก็ไม่สนใจฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลา ฉนันต้องทำงานหาเงินฉะนั่นที่หลายคนนี่ก็ไม่ได้ว่ายากจนหรือว่าต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดนะทรัพย์ก็มีเยอะอยู่แล้วแต่ก็ยังอยากหาทรัพย์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อ้างว่าไม่มีเวลาสำหรับธรรมะนะแต่มีเวลาสำหรับการหาเงินหาทองคนที่จะไม่น้อยเนี่ยนะก็อาจจะ ไม่ได้ถึงขั้นว่านะทิ้งธรรมะเพื่อหาเงินหาทองนะแต่ว่าแต่ว่าเวลาที่เกิดสูญเสียทรัพสมบัติขึ้นมาก็อาจจะเกิดความคับแค้นถึงกับประกาศว่าเนี่ยฉันอุตส่าห์ทาบุญประพฤติทธรรมมาแต่ก็ยังต้องสูญเสียทรัพย์ต่อไปนี้ฉันไม่ทำบุญละต่อไปนี้ฉันไม่ ปฏิบัติทำแล้วธรรมะฉันไม่สนใจแล้วอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะของคนของคนที่เห็นทรัพสมบัติสาคัญกว่าธรรมะพร้อมจะละทิ้งธรรมะได้นะเมื่อถึงคราวที่สูญเสียทรัพย์แล้วก็เจ็บแทนว่าธรรมะไม่รักษานะบุญไม่ปกป้องนะหรือบางทีไม่ได้เสียทรัพย์นะแต่ว่าอาจจะเจ็บป่วยนะก็ โปรดแทนที่บุญแม่รักษาธรรมะไม่คุ้มครองอันนี้เราก็ต้องระวังนะถึงแม้ว่าเออเราคิดว่าเราสนใจธรรมะแนละ้วแต่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเลือกนะระหว่างธรรมะกับทรัพย์สมบัติหลายคนก็เลือกทรัพย์สมบัติมากกว่านะธรรมะเอาไว้ทีหลังหรือว่าบางทีก็ลาดทิ้งไปเลยพูดอย่างยี้ไม่ได้ไหมายความว่าทรัพย์กับธรรมะนี่มันขัดแย้งกันนะจริงจริงมันเกลื่อน ก, ก, กันได้นะ คนที่มีธรรมะเนี่ยเช่นเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรรู้จักประหยัดอดออมแล้วก็มีความสันโดษอยู่เรียบง่ายคนนี้ก็มีโอกาสที่จะเพาะเจริญนะด้วยพวกก ร, รัพย์ได้นะาการรักษาศีลก็เหมือกันนะศีลเนี่ยเมื่อรักษาแล้วมันก็สมบูรณ์ด้วยพวกก ร, รัพย์ได้อย่างที่พาสวดกันเนี่ยศีเลนะสุกติมยันติ สีเลนโปกับสัมปทาสีนทําไม่เกิดสุกสินทําให้เกิดนะความเจริญในพว ก, กทรัพย์มันไม่ได้ขัดแย้งกันมีธรรมะนะก็อาจจะมีทรัพย์สินเงินทองอเพิ่มพูนขึ้นแต่แม้จะเพิ่มพูนยังไงก็ไม่ได้ยึดติดในทรัพย์เพราะว่ามีธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจทําให้เข้าใจความจริงสัจธรรมของชีวิต ถึงเวลาสูญเสียทรัพย์ก็ไม่โกรธแค้นไม่เศร้าโศกนะเพราะร่วมเป็นธรรมดาขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมีธรรมะแล้ว่าเมื่อมีเงินทองแล้วก็ใช้เงินทองนั้นเพื่อการเพิ่มพูนเสริมสร้างธรรมะอ่าเช่นมีเงินแล้วนะก็ไม่ต้องทํางานหาเงินมากนะเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมเพราะว่าไม่ต้องดิน้นรนไม่เหมือนบางคนซึ่งเขาต้องดิน้นรนทํางานหาเงินนะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแต่คนที่มีเงินแล้ว ก็ใช้เงินนั้นเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้ตัวเองได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมหรือว่าบําเพ็ญธรรมเช่นบําเพ็ญทานนบารมีบริจาคทรัพย์นะเป็นทา น, รรานะ น, านส่งเสริมธรรมะด้วยทรัพย์ที่ตัวเองมีอันนี้ก็เรียกว่าทรัพย์มันก็ส่งเสริมธรรมซึ่งธรรมะในที่นี้ก็คืออริยทรัพย์นั่นเองนะและอริยทรัพย์เนี่ยมันก็ส่งเสริมทําให้เจริญในพวกทรัพย์ได้เหมือนกันเจริญในที่นี้ไม่ได้แปลว่าร่ํารวยนะ อย่างเดียวอาจจะมีน้อยกว่าคนอื่นนะแต่ก็รู้สึกพอใจเพราะสันโดสนีที่มีความสันโดสนี่ก็ถือว่ามีความร่ำรวยเหมือนกันนะมีความร่ำรวยเพราะว่ามีความรู้จักพอถ้าไม่รู้จักพอนี่ก็จะรู้สึกว่าจนอยู่เสมอแต่ถ้าพอเมื่อไหร่นะก็จะรู้สึกว่าตัวเองร่ำรวยนะ